สัจกานิโครนก็บอกว่าพระสมณะโคดมเหมือนอย่างว่าเหมือนอะไรเหมือนเสมือนพืชพันธุ์ไม้ทั้งหลายระต้นไม้ใบหญ้าทุกอย่างเลยนะต้นพืชพันธุ์ของต้นไม้ทั้งหลายเหล่าใดาเหล่าหนึงอ่ะต้นไม้ใบหญ้าที่เจริญงอกงามไผ่บูรพืชต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยอะไรจึงจะเจริญ ต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่แผ่นดินจึงจะถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ได้ก็ใช่นะพวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะถ้าพูดแบบปกติทั่วไปที่ไม่ได้ปลูกในกระถางลอยฟ้าเนี่ยพูดแบบต้นไม้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยต้นสักต้นต้นใหญ่หญๆโตๆทั้งหลายก็ต้องปลูกบนแผ่นดินต้นไม้เหล่านั้นจึงจะเจริญงอกงามอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่านี้ทุกคนต้องตอบว่าใช่เขาก็เลยอาศัยอุปมาอันนี้โยงต่อไปอีกว่า เพราะฉะนั้นหรืออีกในหนึ่งนะการงานเ่าใดเราหนึ่งที่ต้องทำด้วยกําลังแขนที่บุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงจะทำงานเหล่านั้นได้ฉันใดเพราะฉะนั้นบุรุษทั้งหลายบุคคลทั้งหลายก็มีรูปเป็นอัตตาทุกคนเนี่ยนะมีรูปเป็นอัตตามีเวทนาเป็นอัตตาทุกคนมีสัญญาเป็นอัตตาทุกคนมีสัญญาสังขารมีวิญญาณเป็นอัตตา เพราะฉะนั้นทุกคนตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเสวยผล บ, บุญและไม่ใช่ผลบุญฉันนั้นโอ้ในตรงนี้เนี่ยนะอัตกะถาท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นคำพูดที่ถ้าเป็นวิสัยคนอื่นๆทั่วไปโต้ตอบไม่ได้เลยอย่างคนคนทั้งหลายแบบทั่วๆไปเนี่ยนะ ถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอนัตตาเช่นรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยถ้าเจอคําที่คนฉลาดโต้ตอบแบบสัจจการนิครณเนี่ยนะพวกที่พูดอนัตตาทั้งหลายเนี่ยเหงือท่วมเลยเนะถามว่าทําไมก็ดูที่เขาอุปมาเนี่ใช่ไหมต้นไม้มันงอกที่ไหนแผ่นดินถ้าใครจะทํางานปกติทําอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ไหนจึงทํางานได้ ตั้งอยู่บนแผ่นดินไอค้คำว่าแผ่นดินไหมคำว่าที่ฐานที่มั่นอ่ะนะต้องยืนอยู่บนฐานที่มั่นจึงจะทําการงานได้ฉันใดทุกคนเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นบุคคลจึงตั้งอยู่ในขันห้าสเสวยผลบุญสเสวยผลบาปอันนะั้คือเขาแยกไม่ออกว่าบุคคลนี้เป็นวูหารเป็นสมมุติกถาแต่ขันห้าเป็นประมัติคาถาเนื่องจากเขาแยกว่า บุคคลเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโวหารเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงโดยสภาวะแต่ผู้ที่ไม่รอบรู้ในขันธ์ถือว่าเป็นจริงโดยสภาวะเนี่ยนะก็เนื่องจากความเข้าใจผิดเท่านั้นเองอในอัตถกาหน้า97บเจ็ดบอกว่ารูปปัตตายังโุริสาปุคโลความว่ารูปชื่อว่าเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะเขามีรูปเป็น อัตตาเขาเรียกว่ารูปตาเนี่ยนะมีรูปเป็นอัตตาเนี่ยนะก็แสดงว่าบุคคลผู้ถือว่ารูปเป็นอัตตาตั้งอยู่ในสกายทิถิใช่ไหมมีรูปถือรูปว่าเป็นอัตตาอัตตามีรูปรูปมีอัตตาอัตตาในรูปนะเวทนาเป็นอัตตาอัตตาอยู่ในเวทนาเวทนาอยู่ในอัตตาอัตตานี่มีเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะคือสรุปว่าพวกนี้ก็วนๆอยู่ในสําคัญขันห้าว่าเป็นอัตตาบ้างอัตตาเป็นขันห้าบ้าง อัตตาอยู่ในขันห้าบ้างอัตตาเนี่ยเป็นเจ้าของของขันห้าเป็นต้นบ้างเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันบุคคลเนี่ยนะตั้งอยู่ในรูปถือรูปว่าเป็นอัตตาเมื่อถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตานั่นแหละจึงได้กุศลหรืออกุศลจึงทํากุศ ล, กศลอกุศลได้เพราะถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้แหละเป็นอัตตาจึงถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งผลบุญ ผลบาปเพราะเนื่องจากถือขันห้าว่าเป็นอัตตาจึงทำบุญทำบาปถือว่าขันห้าเป็นอ่าเป็นอัตตาจึงสเสวยผลบุญผลบาปถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาไปหมดแล้วใครทำบุญแล้วใครสเสวยผลบุญเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาในชะฟังดูเนี่ยนะคนเขาเห็นด้วยเลยเนี่ยนะไอ้พวกที่คิดอะไรแยกแยะไม่ออกเนะี่ยคือพวกตาเบลเๆเนี่ยอ๋อแค่นี้แหละพวกตาเบลเบลอเขาเห็นไหมแยกสีไม่เป็นเคยถ้าไม่สายแว่นแล้วมองไกลๆเคยไหม นั่แหละนันมองแยกไม่ออกวู้อะไรเป็นหน้าเป็นตาเป็นจมูกแยกไม่ค่อยออกอ่ะนะพันเข้าขมาถ้าไม่อยากเห็นอะไรไกลๆเข้ามาก็ถอดแว่นแล้วมันจะเบลอๆก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นละเนไหมยาตาสั้นเอออธิบายเพิ่มเติมในหน้าเก้าสิบเจ็ดกลางหน้าบอกว่าบทนี้ท่านแสดงว่าอย่างไรเป็นคําถามว่าแสดงยังไงท่านนําอุปมามาพร้อมทั้งเหตุที่น่าฟังอืมคือคื อ, ค, อคำอุปมาของนิ ค, ครณเนี่ยน่าฟังมาก เพราะอะไรก็ถือว่าขันทั้งห้าเหล่านี้ที่อยู่อาศัยเหมือนแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์เหล่านี้สัตว์เหล่านี้ตั้งอยู่ในขันห้าเมื่อสัตว์เนี่ยตั้งอยู่ในขันห้าจึงรวบรวมเอากุศลกรรมและอากุศลกรรมเอาไว้เพราะคําว่าสัตว์เนี่ยนะเป็นคําที่มีอยู่กลาดเหลือนในโลกไหม สัตว์คนนั้นสัตว์คนนี้มนุษย์เทวดาอินพรหมเพราะนั้นมนุษย์เทวดาอินพรหมตั้งอยู่บนขันห้าจึงทาบุญทาบาปเมื่อตั้งอยู่บนขันห้านี่แหละจึงเสวยผลบุญผลบาปโอ้ฟังขึ้นนะนะเขาบอกว่าเมื่อจะปฏิเสธอัตตาทีนี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธอัตตาซึ่งมีอยู่เห็นปานชนีว่าขันห้าไม่ใช่อัตตา คือคือปกติแม้ทุกคนเนี่ยมันตั้งอยู่บนขันห้าที่สาคัญขันห้าว่าเป็นอัตราทำบุญทำบาปเสบยผลบุญผ ล, ผลบาปพระพุทธเจ้ามาบอกว่าขันห้าไม่เป็นอัตราเข้านี่แม่มันมันยังไงอยู่นะเนี่ยทำไมอยู่ๆแล้วท่านมาปฏิเสธเพราะนิคร น, นําอุปมาเนี่ยถือว่าเป็นอุปมาที่หนักแน่นมากแน่นอนคือหนักแน่นเนี่ยนะไม่มีคนอื่นนอกจากพระสัพพัญยูพุทธเจ้าชื่อว่าสามารถจะตัดถ้อยคาของนิครนเหล่านั้นให้แล้ว บอกว่าไอ้ความเห็นตัวนั้นนะ่ะมีโทษเนี่ยนะเป็นนิชชาทิฏฐิเนี่ยยากนะอย่างคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแค่เขาพูดบางคำมาปั๊บเราก็ยอมจำนนนะใไอ้นี่แก้ไขไม่ได้ถึงรู้ว่าเขาผิดเนี่ยนะแต่เราก็บอกโอ้แก้ไขา ย, ยากหลังนั้นนะนะแต่จริงๆแล้วบางคนเนี่ยไม่อยู่ในวิสัยของบางคนที่จะไปแก้เนี่ยก็ต้องดูว่าบุญใครบุญใครด้วยบุคคลที่ที่ ที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะหรือผู้ที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยมีอยู่สองพวกเรียกว่าพวกพุทธเวในกับพวกสาวกเวในสาวกเวเนเนี่ยพระสาวกจะชี้นำแนะนาก็สอนได้หรือพระพุทธเจ้าจะชี้นำแนะนาสั่งสอนก็ได้แต่พวกใดที่เป็นพุทธเวในนะสาวกทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะเพราะคำพูดบอกว่าท่านเป็นใครยางไนะกคล้ายกับบางบางคนเนี่ยนะถ้าเราไปแนะนำอะไรเขาเนี่ย ถ้าท่านเป็นใครโอ้ยพูดคํานี้มาเราก็จบเพลแล้วนะมันจะพูดอะไรต่อบอกหมดแล้วเนี่ยนะจบเลยเนี่ยนะเพราะเราก็เออก็เราเป็นใครก็จริงอ่ะนะก็เราเป็นใครเราไม่ใช่อาจารย์เขาสัหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากฟังคําอธิบายทั้งนั้นแหละอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่แต่ถ้าแบบแบบคนที่เขายอมรับนับถืออย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนิครนนาตบุตรเนี่ยศัจจการนิครนคนนี้เป็นพุทธเวไนยไม่ใช่อยู่ในวิสัยเพระนันอภัสราชิจึงไม่แก้ แล้วเขาก็เห็นเลยนะว่าโอ้พระสัชชีไม่ใช่คู่มืออะไรนะคู่ประลองของเขาอะ่ะเรียกว่าเขาไม่ใช่นักโต้คารมระดับเขาเว้ยสาวกไม่ใช่อยู่ในระดับเขาหรอกเขาต้องโต้ตอบกับคนระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเว้ยคนระดับสาวกไม่คุยด้วยหรอกเนี่ยนะต้องคุยระดับคณาจารย์ใหญ่ๆเนาะเน่ยนะใครที่ปฏิญาณตนว่าสัพพัญยูนะั่นแหละคือคนที่เขาจะโต้ตอบด้วยเพรา ะ, ะนึก ด, ดูนะเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่โต้ว่าท่ากับพระสัชชีเลยใช่ไหมแล้วเขาก็เก็บงํำมาไว้ว่าเอ ครั้งเนี้ยแค่ยังเชิญขนาดเนี้ยรู้แล้วว่าเขาต้องแก้ไขพระพุทธเจ้าได้สําเร็จแล้วเหตุผลทั่วไปเขาก็ฟังขึ้นด้วยนะฟังขึ้นนะเออใช่ทุกคนเนี้ยนะมันเออสัตว์บุคคลจะไม่มีได้ยังไงอ่ะทุกคนเนี้ยมันตั้งอยู่บนขันห้าแล้วทาบุญทําบาปเพราะขันห้านี่แหละเป็นสัตว์เป็นบุคคลจึงสวยผลบุญผลบาปถ้าหากว่าทุกคนไม่มีอัตตาแล้วใครจะทําบุญทําบาปแล้วใครจะสวยผลบุญผลบาป เออแล้วบุญบาปมันจะให้ผลได้หรืองั้นก็ไม่มีบุญสิงั้นก็ไม่มีบาปสิถ้าไม่มีอัตตาแล้วใครจะเป็นคนบางคนเนี่ยพอคิดอย่างนี้เลยเถิดไปอีกเออเมื่ออัตตาแบบนี้มีมันต้องมีคนสร้างอัตตาเนี่ยนะเพราะอัตตาอย่างเป็นอย่างนี้ได้มันต้องมีคนสร้างอัตตาพวกนี้ก็จะต่อด้วยลัทธิอย่างอื่นเนี่ยนะพวกนี้จะลามไอการถึก ถือความเห็นว่าเป็นสัตว์โดยโดยสัตตสัญญาปุฆละสัญญาอตตะสัญญาเนี่ยนะความคิดอันนี้จึงลามตามมาด้วยมิจฉาทิฐิทั้ง 62ลัทธิหรือ63าลัทธิหรือลัทธิทั้งหลายเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกเป็นอันมากลัทธิเหล่านั้นเกิดจากความเข้าใจผิดสําคัญผิดว่ารูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขารเป็นอัตตาแล้วก็วิญญาณเป็นอัตตาแล้วทุกคนเนี่ยตั้งอยู่ในอัตตาเหล่านี้แล้วทํากรรมสเสวยผลแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดก็อัตตาเหล่านี้แหละไปเวียนว่ายตายเกิดเข้าหรือถ้าจะศูนย์ก็อัตตาเหล่านี้นี่แหละมัน ศูนย์จะเกิดก็อัตตาเนี่ยเกิดจะศูนย์ก็อัตตานี่แหละศูนย์ตัวเออัตตานี่แหละคือผู้สร้างอัตตานี่แหละคือสิ่งที่ถูกสร้างเพรยิ่ง vivo, คิดยังไงปั๊บมันยิ่งเห็นด้วยสําหรับคนที่ไม่รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่กําหนดรอบรู้ทําที่ควรกําหนดรู้ถ้าไม่ละสิ่งที่ควรละไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งถ้าไม่เจริญในสิ่งที่ควรจเจริญปั๊บไม่ใช่ฐานะเลยที่จะเข้าไปคร่าวไปเคลียร์ปัญหาพวกนี้ได้มันรกชัดมากยุ่งเหยิงมากเลยแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวิธีการปรับลัทธิเนี่ยน ะ, ะพระองค์ก็ตอบบอกว่าตกลงเป็นอันว่าอคิเวสนะท่านพูดอย่างนี้ใช่ไม้มชื่อกล่าวอย่างนี้ใช่ั้มว่าอาตาัตรารูปเป็นอัตราของเราท่านพูดบอกว่ารูปเป็นอัตราของเราใช่ไหม ท่านบอกว่าเวทนาเป็นอัตตาของเราใช่ไหมท่านบอกว่าสัญญาเป็นอัตตาของเราใช่ไหมท่านบอกว่าสังขารเป็นอัตตาของเราใช่ไหมท่านบอกว่าวิญญาณเป็นอัตตาของเราใช่ไหมพระสมณะโคดมข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นประชุมชนทุกคนก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะเรียกว่าอะไรนะไม่เอาคนเดียวจะสึกครั้งนี้หมาข้าพเจ้าไม่ได้มารบคนเดียวทุกคนเนี่ยเป็นนักรบเหมือนข้าพเจ้าหมด น, นะที่จริงพระพุทธเจ้าถามย้ำมาก่อนว่าเออท่านบอกว่ารูป รูปเป็นอัตตาของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาของเราใช่ไหมบอกอุ้ยใช่ทุกคนเขาก็พูดอย่างนี้ทางนั้นเลยนะนะแค่อะไรโปรยทุรีลงในมหาชนก็ว่างั้นนะนะเหมือนเราเลยบอกเออท่านเปียกฝนมาไปเอ้ยพวกนั้นก็เปียกมาหมดเลยอย่างนั้นนะคล้ายๆแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของนักโตวัฒน์เหนือกว่าสัจจการนิครนเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่านะนะ พระ อ, องค์ก็บอกว่าอคีเวสณะประชุมชนหมู่ใหญ่จะทําอะไรแก่ท่านก็แปลว่าไม่ต้องไปอ้างหรอกพวกคนหมู่ใหญ่อ่นะเอาเถอะท่านแก้แต่ถ้อยคําของตัวเธอแค่ว่าเรื่องคนอื่นจงยกไว้เรามาคุยกันสองคนก็พอไม่ต้องไปดึงคนอื่นมาเกี่ยวข้องหรอกเพราะฉะนั้นมีระหว่างเธอกับฉันมีระหว่างฉันกับเธอมาคุยกันสองคนก็พอเนี่ยนะไม่ต้องไปอ้างคนอื่นเนี่ยแต่บางคนนี่ก็เป็นเนี่ยนะเรื่องหลายๆเรื่องที่มันหาข้อยุติไม่ได้เพราะอะไรโยนไปถึง บุคคลที่สเนี่ยนะเมือ่อเมื่อเรื่องเหล่าใดที่มีการสนทนากันเนี่ยนะแล้วโยนไปหาบุคคลที่สาเมืม่อไหร่โดยมากลามปามเมื่อลามปามปั๊บก็ทะเลาะบเบาะแวงกันมีปัญหากันไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่เป็นนักพูดที่ดีเนี่ยนะที่เขาไม่ต้องการสร้างเรื่องให้ลุกแล้วก็ลามออกไปเขาจะมีระหว่าง ก็มีระหว่างเรื่องเราระหว่างเรากับเขาระหว่างเธอกับฉันระหว่างฉันกับเธอระหว่างผมกับคุณระหว่างคุณกับผมก็มีอยู่เท่านี้พอแล้วแต่ถ้าลามไปหาคนโน้นคนนี้เมื่อไหร่ปับยุ่งทันทีเลยเนี่ยนะสาระคนอื่นๆนี่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเอาไปเอามาเชอย่างว่าเราคุยกันสองคนแก้คนที่สามอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยนะเป็นยังไงเราคุยกันสองคนแก้ประธานอาทิตดีบุ้ได้ ยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันยากวะงั้นมันเรามาคุยกันสองคนก็พอเนี่ยนะท่านก็อยู่ในหลักการของท่านเราก็อยู่ในหลักการของเราแล้วเรามาคุยกันอ้าสัจการนิครเขาก็แน่นะครับว่าพระโคดมข้าพเจ้าพูดอย่างนี้ยใช่ว่าอัรูปรูปเป็นอัตราของเราใช่ยืนยันเลยว่าเวทนาเป็นอัตราของเราสัญญาเป็นอัตราของเราสังขารเป็นอัตราของเราวิญญาณเป็นอัตราของเรา เออไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็ได้ข้าพเจ้าเชื่ออย่างนี้แล้วกันเหมนนอ่ะพระองค์ก็บอกว่าอักิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะถามท่านเฉพาะในเรื่องนี้ถ้าท่านมีความเห็นอย่างไรท่านแก้ไปอย่างนั้นคือหลักการเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาจริงอะ่ะต้องมีอำนาจในรูปใช่หถ้าเวทนาเป็นอัตตาจริงตัวต้องมีอำนาจในเวทนาถ้าสัญญา เป็นอัตตาจริงก็ต้องมีอำนาจในสัญญามีอำนาจในสังขารมีอำนาจในวิญญาณสรุปว่าต้องมีอำนาจในขันห้าอันนี้ถือว่าถ้าถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาจริงตัวต้องไปมีอำนาจในขันห้าอันนั้นอันนี้หลักการเขานะทีนี้พระองค์ก็เลยแก้ว่าท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไนอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับมูลธาพิเศษแล้วเนี่ยนะ พระองค์ส่งน้ำทั่วพระองค์เรียกว่าอภิเศกเสร็จแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระเจ้ามคตราชอาชาศัตรูอาจฆ่าคนที่ต้องฆ่าริบราชบาทหรือเรียกว่าริบรัพย์คนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศต้องเป็นไปได้ในราชอาณาจักรของพระองค์เองใช่หรือไม่พระราชาแบบโบราณเนี่ยปนะกครองด้วยสมบูรณ์อาณาญาสิทธิราชมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าได้ไหม สั่งริบซัพย์ยึดทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์ยึดซัย์ได้ใช่ไหมสั่งเนรเทศออกจากแผ่นดินสําหรับคนที่ตัวเองคิดว่าสมควรแก่การเนรเทศได้ไหมสัจการนิครนก็บอกว่าพระโคดมอํานาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษอย่างเช่นพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้ามคตราชอาชาตศัตรูบุคคลเหล่านี้สามารถฆ่าคนที่ต้องฆ่าริบราชบาทคนที่ต้องริบเนรเทศคนที่ต้อง ในประเทศต้องเป็นไปในราชอาณาจักรของพระองค์อย่างแน่นอนอันนี้มันธรรมดานะปกติเนี่ยนะคนที่มีอำนาจอย่างนี้จริงอะ่ะต้องสั่งในประเทศได้สอิอย่าว่าแต่พวกพระราชาเหล่านั้นเลยแม้แต่พวกปกครองโดยหมู่คณะแค่เรียกว่ากษัตริย์ที่ปกครองโดยหมู่คณะเช่นเมืองกษัตริย์วัดเมืองวัดชีเนี่ยหรือกษัตริย์มลรัฐพวกนี้ปกครองโดยคณะกษัตริย์ ขนาดพวกวัดชีพวกมัละก็ยังสามารถฆ่าคนที่ต้องควรฆ่าริบราชบาทคนที่ควรแก่ต้องการริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศออกไปจากแว่นแหวนของตนของต น, ข, งตนขนาดพวกปกครองโดยหมู่คณะยังทําได้ทําไมคนที่มีอํานาจเช่นนั้นอย่างเหมือนพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วคือพระเจ้าประเณพระเจ้าอาชาติศัตรูทําไมเขาจะทําไม่ได้ เพราะอำนาจอย่างนั้นอำนาจฆ่าอำนาจริบทรัพย์อำนาจเ น, น, นรเทศเนี่ยนะมีอยู่ในพระราชามหากษัตริย์ผู้ผู้อะไรผู้ได้รับอภิเสกแล้วต้องเป็นไปควรจะเป็นได้ด้วยทําได้สิแล้วควรจะทําอย่างนั้นด้วยต้องสั่งฆ่าคนที่ควรฆ่าสิต้องสั่งริบทรัพย์คนที่ควรริบสิต้องสั่งเนรเทศคนที่ควรเนรเทศห้ามมาเหยียบแผ่นดินไทยเป็นต้นนีนะ